ขอนอบน้อมพระรัตนตัยคุณพระพุทธธรรมประสงค์ขออากาศสลงพ่อกรมครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านแล้วก็เพื่อนธรรมิกทุกตูปเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนก็นั่งฟังได้ใจที่สบายสบายนะเนาะนั่งได้กายที่ผ่อนคลายนั่งได้ใจที่นะ ผ่อนคลายเปิดกว้างนะนะรับฟังธรรมะแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของเราเองด้วยนะเมือ่อเมื่อไม่กี่วันก่อนได้มีโอกาสสนทนาพนะูดคุยกับพระเทระรูปหนึ่งนะท่านก็บวชบวชตั้งแต่เป็นสามวันเรยนเรียนจบปฐมที่6 แล้วก็บวชมาถึงตอนนี้ก็น่าจะร่วมสามสิบปีละบวชตั้งแต่เป็นเนจนแล้วก็บวชต่อเป็นพระนะท่านก็อยู่ในวัดใหญ่ในเมืองกรุงเทพนะเป็นวัดมีชื่อเสียงแล้วก็ได้ไปเรียนเรียนไปเรียนบาลนะีที่นั่นแล้วก็อยู่ยาวที่นั่นมาหลายสิบปี แต่ก็ท่านดูกิริยามงดงามนะมีความอ่อนน้อมทําตัวมีความสงบแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นนะก็ดูหน้าเคารพเรื่มใสนะ่ก็เดยคุยกับท่านถามท่านว่าเหตุใดทําไมท่านถึงอยู่อยู่ได้นานนะบวชตั้งแต่เป็นสามเณรช่า ง, งถึ ง, ถ, งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ อยู่ในสังคมวัดในกรุงเทพที่ก็ค่อนข้างวุน่นวายนะอะไรเป็นเหตุทําให้ท่านอยู่ได้นะถึงตอนนี้นะท่านบอกว่าท่านก็คิดสักครู่หนึ่งนะท่านก็คิดทบทวนชีวิตของท่านสักครู่หนึ่งก็ท่านบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่บวชใหม่ๆนะตอนที่ยังไม่ได้เข้ากรุงเทพ ได้มีโอกาสเข้ากรรมฐา น, นเดือนหนึ่งเต็มๆก็พวกเราก็คิดลองคิดดูเด็กอายุประมาณสิบสองเป็นสามนเณรเพิ่งบวชใหม่แล้วก็ต้องเข้ากรรมฐานหนึ่งเดือนเต็มๆกรรมฐานในที่นี้ก็น่าจะเป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างเข้มน่าจะเป็นการเหมือนเก็บเก็บเก็บอารมณ์แบบนี้นะอื แต่ก็ไม่ได้ซักรายละเอียดมากนะว่าท่านปฏิบัติแบบไหนยอย่างไรอยู่นีนะแต่ท่านบอกว่าการที่ท่านได้เข้ากรมากรมาฐานตอนช่วงนั้ น, นมาทำให้ท่านได้ทบทวนชีวิตของตัวเองเยอะแยะมากมายเลยทำให้เห็นว่าเราทำไม่ดียังไรบ้างเห็นเห็นโทษของการทำสิ่งที่ไม่ดีขนาด วัยเด็กกนะันนะอาจจะทําไม่ดีด้วยความพังเพลหรือทําไม่ดีด้วยความที่ไม่รู้นะหรือด้วยความที่เป็นเด็กก็อาจจะเหมือนเด็กทั่วไปที่สนุกสนานทุกซนไปนะแต่พอได้เข้ากรรมฐานแล้วท่านเห็นว่าโอ้สิ่งที่ทําไม่ดีต่างๆนี่มันเราไม่ควรทําเลยนะอืมเราโชคดีเหลือเกินที่ได้มาบวชได้ศึกษาธรรมะก็ ก็ได้ทำให้ให้เข้าใจตรงนั้นนะความรู้สึกของท่านก็ประมาณนะัก็เห็นเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งสิ่งที่ทำไม่ดีของตัวเองนะแต่ท่านก็บอกท่านก็ท่อมตัวนะถ่อมตัวก็บอกท่านก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะแต่คิดว่าปัจจัยนียเป็นปัจจัยที่สำคัญมากทำให้ท่านอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้นะกว่า3าสิปีนะ แม้ต้องมาเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือเรียนป ร, ริญญานะหรือมีภาระรับผิดชอบภายในวัดหรือว่าช่วยเหลื อ, อชุมชนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆแต่มันก็ทำให้ท่านประคองชีวิตประคองชีวิตนักบวชอยู่ได้มานานถึงกว่า30ปีก็เลยทำให้คิดว่า เปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์หลายๆท่านอย่างเช่นอย่างพระอาจษษารย์เบสานเองก็ลัใหม่ท่านก็คิดว่าจะบวชเพียงแค่ชั่วชั่ว3เดือนเท่านั้นแล้วก็ต้องลาศิกขากลับไปทําหน้าที่ทางคารวาะต่อไปแต่การที่พอบวชแล้วได้เข้ากรรมฐ า, านกับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในนะมันก็ทําให้ท่านเห็ น, นเห็นตัวเองแล้วก็ได้ทบทวนตัวเอง ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นจนนี่ผมคิดเองนะน่าจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญทําให้ท่านก็อยู่ได้ถึงก็กว่าสามสิบกว่าปีแล้วเช่นเดียวกันก็เห็นว่าเออมันก็เรื่องราวพวกนี้มันก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันท่านก็ถามผมกลับเหมือนกันตามอาตมากลับเหมือนกันทําไมเราถึงอยู่ได้นะหลายสิปีแบบนี้นะเราก็ตอบเหมือน ก็ทบทวนก็คิดว่าเป็นเรื่องกรรมฐานเหมือนกันนะถ้าถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้ทํากรรมฐานก็คิดว่ายากที่จะอยู่นะเพราะว่ามันโดยคนทั่วไปเนาะโดยปุะชาชนคนทั่วไปก็ยังมีความความชอบความอยากนะในทางทางโลกนะถ้าไม่ได้อาศัยกรรมฐาน มาเป็นเครื่องในการขัดเกลาชีวิตจิตใจเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีเครื่องอยู่เพราะว่าถ้าจิตมันไม่มีกรรมฐานอยู่เนี่ยมันก็มันก็จะคิดถึงแต่เรื่องราวในอดีตก็ดีหรือว่าอาจจะคิดวางแผนคิดวาดฝันถึงอนาคตที่สดใสสวยงามเหมือนะแต่การที่ถ้าเราได้เข้ากรรมฐานนะแล้วก็ได้ ปฏิบัติทำอยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ได้ทบทวนชีวิตของเราเองที่ผ่านมานะเราเคยทำผิดทำพลาดอย่างไรบ้างนะชีวิตข้างหน้าชีวิตที่เหลือเนี่ยเราควรที่จะทำอะไรซึ่งผมคิดว่ากรรมฐานนี่มันวิเศษวิเศษในแง่ว่าความรู้พวกนี้มันไม่ใช่เกิดจากการที่คนอื่นบอกเรา แต่เป็นความรู้ที่ที่เราได้ประจักษ์ด้วยตัวของเราเองนะเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วมันเราเหมือนได้คําตอบด้วยตัวของเราเองแต่แน่นอนมันก็มีส่วนในการที่เราได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ได้อ่านหนังสือหรือได้สวดมนรรมมต์ทำวัดก็เป็นก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญเช่นกันนะหรือการได้เห็นครูบาอาจารย์ท่านทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นได้สัมผัสนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญมาก แต่ถ้าเรามีแค่ส่วนประกอบเพียงแค่ภายนอกแต่ถ้าเราไม่มีการพิจารณาในภายในของเราเองเนี่ยมันก็ยากนะที่เราจะเออกลับมาเห็นตัวเองชัดๆนะกลับมาได้คําตอบด้วยตัวเราเองคล้ายๆมันมันต้องอาศัยการตกผลึกนะตกตะกอนทางถ้าภาษาโลกอาจะได้ว่าตกตะกอนทางความคิดนะเนาะแต่ผมคิดว่ามันถ้าในเรื่องของ กรรมฐานในการภาวนาจริงมันมันน่าจะลึกซึ้งกว่าแค่ตกตะกอนทงความคิดนะมันไม่ใช่เพียงแค่การคิดได้นะแต่มันมันลึกเข้าไปถึงถึงใจนะอย่างภาษาที่เราใช้คําว่ามันเข้าใจนะมันเข้าไปถึงในใจการการคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นภาษานะอาจจะเป็นชุดความรู้แต่การเข้าไปถึงใจนี่มันเหมือน มันถึงจิตถึงใจมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกนะมันไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้แต่เราสามารถสัมผัสหรือ ร, รู้สึกได้ว่าเออชีวิตที่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันทำให้เออแต่ก่อนที่เคยเป็นคนใจร้อนแต่ก่อนที่เคยเป็นคนคิดมากฟุ้งซ่านแต่ก่อนที่เคยเป็นคนที่อชอบ จริงจังเคร่งเครียดนะปล่อยวางไม่เป็นนะชีวิตมันก็เย็นขึ้นนะนะชีวิตมันก็มีความสุขมากขึ้นนะชีวิตมันก็มีความทุกข์น้อยลงไปนะกรรมฐานก็น่าจะนะให้คําตอบแบบนี้นะกับหลายๆคนเหลื อ, อาจะทุกคนก็ได้นะนนี้คือคิดว่าอย่างพวกเราหลายรูปได้มีโอกาสได้บวชนะ โดยเฉพาะในช่วงบวชใหม่ๆนะกรรมฐานนี้จะเป็นฐานที่สําคัญมากทําให้ชีวิตในพรมอาจารย์ของเราเนี่ย ม, มันมั่นคงเปรียบเสมือนกับเราจะก่อสร้างสิ่งใดก็แล้วแต่อย่างสร้างศาลาหรือสร้างตึกนะมันตึกจะสูงได้ก็ต้องฐานก็ต้องมั่นคงมากนะต้องตอกเสาเข็มนะต้องเท เทฟุตติ้งทำเสาให้มันมั่นคงนะถ้าฐานไม่มั่นคงแล้วก่อขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็อาจจะล้มลงไปก็ไดนะ้ชีวิตของเราในเพศพมาจารย์เองก็ดีนะถ้าถ้ากรรมาฐานของเราไม่แน่นเนี่ยมันจะมันจะอยู่ยากมากเพราะว่าอยู่แล้วมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะเห็นว่าศีลเนี่ยมันเป็นข้อห้ามนะอยู่แล้วมันอึดอัดนะ ทำนี่ก็ไม่ได้ทำนั้นก็ไม่ได้ดูนี้ก็ไม่ได้ล้องเพลงก็ไม่ได้นะคุกคีกันมากก็ไม่ได้อะไรประมาณนะั้เราจะเห็นว่าสินหรือว่าข้อวัดหรือว่ากฎระเบียบกลายเป็นเรื่องอึดอัดใจนะเป็นเรื่องห้ามห้ามแต่จริงถ้าเรามองดีๆเราจรู้สึกดีๆที่จริงสินสินหรือข้อวัดคำสอนของครูบาอาจารย์หรือกฎระเบียบเนี่ย มันเป็นเครื่องช่วยนะไม่ใช่เป็นเครื่องห้ามแต่เป็นเครื่องช่วยเตือนใจของเราออเตือนใจเราให้รู้ว่าออถ้าทำแบบนี้มันจะทำให้นํามาสึ่งความทุกข์ใจในภายหลังนะแน่นอนตอนที่ทำตอนนั้นได้สนองกิเลสได้สนองความอยากมันรู้สึกสะใจนะรู้สึกสะใจรู้สึกได้ปลดปล่อยนะแต่ พอระดึกถึงอีกทีหนึ่งมันก็เสียใจภายหลังนะอย่างทั่วๆไปนะสมมุติถ้าเราโกรธโกรธใครสักคนนะตอนโกรธนี่มันก็อึดอัดในใจนะได้ดา่าได้ทาร้ายเข้าไปนี่มันรู้สึกสะใจนะทำแล้วก็ความโกรธความทุกข์ก็หายไปความอึดอัดใจก็หายไปแต่ผลที่มันตามมาภายหลังนี่ก็เยอะแยะมากมายนะคิดไปแล้วก็อาจจะเสียใจ หรือถ้าทำหนักไปก็อาจจะต้องรับโทษรับภัยต่อเนี่ยบางทีความยาพกนี้มันมันมันได้สนองมันมีความสะใจมีความสุขชั่วคราวแล้วก็แต่ความทุกข์นี่มันมันตามมาอีกเยอะแยะเหมือนบางคนเป็นโรคเบาหวานแบบเนี้ยเราก็รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานแต่มันก็อยากกินสิ่งที่มันหวานมีน้ำตาลตอนได้กินก็รู้สึกชอบรู้สึกอืมดีใจนะ มีความสุขแต่กินแล้วก็ต้องมารับทุกข์เพราะว่าน้ําตาลขึ้นเพราะโรคต่างๆมันตามมาอันนี้บามันก็ไม่ใช่ใครทําก็คือเราทําเองนะอันนี้บางทีเรื่องข้อวัดหรือเรื่องศีลเนี่ยที่จริงเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราไม่เสียใจในภายหลังนะเราไม่ไปทําร้ายใครไม่ทําร้ายสัตว์เนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่ได้เสียใจนะ ว่าเขาจะกลับมาทำํำร้ายเราตอบหรือเปล่าเราไม่ไรักทรัพย์ของใครนะไม่ได้เบียดเบียนทรัพย์สินหรือว่าลูกเมียสามีของคนอื่นเราก็ไม่ต้องมากงวันใจเวลาที่เจอหน้ากันและกันก็สบายใจแต่ถ้าเราทําผิดผิดศีลขึ้นมาเจอหน้าก็หวาดระแวงแล้วนะหรือเขาพูดอะไรมาเราก็กลัวแล้วว่าเขาจะมาตําหนิ หรือว่าเอาโทษเตาหรือเปล่าคือถ้าผู้ที่มีศีลเนี่ยจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความสบายใจแม้แม้บางครั้งมีคนเข้าใจผิดหรือมีคนตั้งใจมาใส่ร้ายเรานะมันก็ไม่สะเทือนนะเพราะว่าเราก็รู้ตัวเราเองว่าเราไม่ได้ทําผิดนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเองนะแม้แต่พระเจ้าเองก็ยังโดนเหมือนกันนะท่านเทศนาสอนธรรมะ นะกับญาติโยมนะอยู่ๆก็มีนางมีหญิงสาวคนหนึ่งนะท้องโตเข้ามาในถ้ำกลางที่ประชุมสงฆ์ที่วัดป่ามหาวันแบบน้นามาโจายืนชีน้หน้าพระพุทธเจ้าบอกว่านะดีแต่ทำนะแต่ทาแล้วไม่รับแบบนี้นประมาณนี้นะทำชั้นทองแล้วแต่ไม่ยอมมารับผิดชอบนะนางจินจานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่า เรื่องเรื่องนี้มีแต่เราสองคนเท่านั้นที่รู้ท่านก็สงบก็พูดแค่นี้น ะ, ะนางก็เต้นแดงเต้นกานะหาว่าท่านไม่รับผิดชอบอเต้นแดงเต้นกาไปสักพักหนึ่งเชือกที่ผูกกับท้องอก็ขาดลงท่อนไม้ที่ตรงนั้นก็ตกลงมาผู้คนก็เห็นเลยว่าเออนี่แหละนะมาโกหกกัน แต่พุทธเจ้าท่านไม่หวั่นไหวเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านไม่ได้ทําผิดใช่ไหมแต่คนทั่วไปบางทีเนี่ยคนที่ฟังทำโอ้เห็นคนมาบ้าบางทีก็หวั่นไหวละพุทธเจ้าเป็นแบบนั้นจริงเหร อ, อะถ้าปุถุชนคนทั่วไปก็จะเชื่อตามตามที่เขาโจทย์เขาฟอ้องแต่คนที่เป็นอาญาบคุคคลขึ้นไปก็คงไม่หวั่นไหวละเพราะว่าดูแล้วว่าพระพุทธองค์ท่านสอนสิ่งที่เป็นความจริงแท้ เมื่อท่านเข้าถึงความจริงแท้แล้วท่านก็ย่อมไม่บกกลับมาทำผิดเช่นนั้นแล้วนะก็ไม่หวั่นไหวตัวของท่านเองก็ไม่หวั่นไหวตัวของผู้ที่รู้ทำเองก็ไม่หวั่นไหวนะแต่ถ้าคนทั่วไปบางคนก็มักจะหวั่นไหวเวลาเขามาว่าเราเราก็หวั่นไหวไปกับคำว่าของเขาแต่ถ้าเราไม่ผิดศีลน่ะมันก็ไม่หวั่นไหวนะจิตใจของเราก็สงบอยู่ได้นะบางครั้งอาจจะพูดนะ อธิบายหรือบางครั้งไม่พูดสงบไปความจริงก็ปรากฏเองมันก็ได้นั้นเราก็เห็นด้ว่าเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยให้เรานะช่วยให้เรามีความมีความสุขช่วยให้เราไม่ต้องรับทุกข์รับโทษเดือดร้อนในภายหลังนะไม่ว่าจะเป็นศีลส2 7ข้อไม่ว่าจะเป็นข้อวัดนอกพระปาติโมกข์หรือแม้แต่แม่ชีมีศีลแปด อุบาสกอุบาสิกาสินแปดบ้างสินห้าบ้างไอ้พวกนี้นะมันไม่ใช่เป็นเครื่องบังคับหรือทำให้เราอึดอัดเลยแต่จริงต้องขอบคุณในทามที่ที่เรามีเครื่องอยู่นะสินจะว่าไปอีอย่างเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะเครื่องอยู่นี่ทำให้เราอยู่ง่ายกินง่ายนะอย่างเช่นพระเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้มีจีวอเพียงแค่สามผืน ถ้ามีจีบอมากกว่า น, นั้นเรียกว่าอเดเรจจีบอเก็บไว้ได้ไม่เกินสิบวันต้องสละไปเออเรามีแค่นี้ก็สบายดีนะนมีแค่นี้ไม่ต้องเป็นภาระหาที่เก็บไม่ต้องเป็นภาระในการคิดว่าจะต้องใส่ชุดไหนอย่างไรมีแค่เนี้ยสบายเลยนะมันก็เป็นเครื่องช่วยเรานะหรือการที่พระเจ้าสอนให้เรารู้จักรู้จักประมาณในการบริโภคนะเราก็ กอเราดูจากประมาณก็คือบริโภคอาหารเนะพรียงเพื่ออยู่ดำรงธาตุดำรงขันเท่านั้นนะโรคภัยแค่เจ็บมันก็มันก็น้อยลงหรือว่าทุกข์เพราะว่าความอยากกินจนอิ่มนะอย่างเช่นชูชกมเนาะกินจนท้องแตกตายก็มีหรือบางคนก็กินตามความอยากอันนี้ชอบนะก็กินอันนี้ไม่ชอบก็ไม่กินอันนี้เ น, นี่ยเรียกว่า พระเจ้าสอนให้เรารู้จักประมาณอาหารในการบริโภคหรือสอนให้เราเป็นคนที่ที่เรียกว่าไม่ไม่ละโมบโลภมากนะถ้าภาษ า, าภาษาแบบโลกโลกอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่น่าด่านเที่ยวขอ ส, สิ่งนี้่นี้นะพระเจ้าก็สอนเราเไว้เลยว่าเราขอได้แต่เฉพาะคนที่เป็นญาติเราเท่านั้นนะหรือขอได้แต่เฉพาะคนที่เป็นคน ปวาวารนาก็คือคนที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าต้องการสิ่งในที่สมควรก็สามารถบอกได้นะถ้าคนคนอื่นก็ขอไม่ได้ทำให้เราก็เอ่ยยั้งใจอยากจะกินนี่ก็ก็ไม่เอาก็ได้อยากจะได้นั่นอ่ะไม่สมควรขอก็ไม่ไม่ต้องขอก็อยู่แค่นี้มันก็ได้แล้วนะมันก็สบายไปจิตใจก็เกิดการปล่อยวางขึ้นได้ง่ายเพราะนั้นศีลเนี่ยเป็นเครื่องที่ช่วยให้เรา มีความสุขใจนะในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตแต่แน่นอนถ้าสลหรับคนให ม, ใหม่อาจจะรู้สึกอึดอัดใจบ้างแต่ก็ต้องพยายามมองให้เห็นว่าที่จริงมันเป็นคุณอย่างมากนะทำให้เราทาให้เราเรียกว่าไม่ต้องรับทุกข์รับโทษเดือดร้อนในภายหลังนะอันนี้ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้เนะี่ยเราก็จะรักษาศีล น, นะ แล้วศีลนั่นแหะก็จะกลับมารักษาเราเองให้พบกับความสุขให้ไม่มีความทุกขนะ์นะศีลว่าจริงๆก็คือมันเป็นเครื่องรักษารักษาเราเนี่แหละนะใหม่ๆเราต้องรักษาเขานะต้องระวังนะหรือว่าต้องหรือบางทีก็ต้องทนุทนอมบ้างนะแต่ถ้าศีลที่เราสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกนะมันเป็นศีลสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนนะ ที่สามารถทำได้ก็คือการที่เรียกว่ามีมีอินทรียสังวรยสินนะคือการการมีสตินะรู้ทันทางทวารทั้งหกนะตากระทบรูปนะหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสนะกายถูกต้องสัมผัสกนะับของร้อนของแข็งของเย็นของนุ่มของนิ่มอะไรก็แล้วแต่ หรือใจกระทบกับอารมณ์นะกระทบกับความรู้สึกต่างๆเราคอยมีสติรู้ทันนะอันนี้เรียกว่าเป็นอินทรียสังวรสินนะเป็นสินสำหรับนักปฏิบัติธรรมเลยนะตาเห็นรูปนะมีความชอบหรือมีความไม่ชอบเกิดขึ้นในใจิตใจหรือมีความเฉยๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถตะรู้ได้นะแต่ถ้าเราไม่มีสติพอตาเห็นรูปแล้วนะ เกิดความชอบใจนะก็ปรุงแต่งกับสิ่งที่ชอบนะไขว้คว้าเพื่อให้ได้มาสิ่งที่ชอบสิ่งที่ต้องการตากระทบรูปแล้วไม่ชอบใจนะไม่อยากเห็นไม่อยากได้ก็เกิดการผักใสเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจนะถ้าเรามีสติเห็นอ้อตาเห็นรูปแล้วเออเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะ ระวางสิ่งที่เห็นไปหรือมันอาจจะปรุงแต่งเป็นชอบเป็นชังปรุงแต่งต่อสักหน่อยแล้วก็มีสติรู้ทันอเมื่อเรามีสติรู้ทันเออความชอบความชังนั้นก็มันก็จะกลับมาเป็นปกตินะใจที่เผลอไปชอบไปชังมันก็กลับมาเป็นปกติได้ใจที่เผลอไปคิดอ่านะคิดอยากคิดอยากจัดการคิดอะไรต่างๆมันก็จะตัดตรงได้นะ หูได้ยินเสียงก็เหมือนกั น, นเสียงที่พูดมาจาะไพเราะเพราะพิงหรือจะเป็นคำนินทาคำตำหนิออเราก็ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วมีสติรู้ว่าเสียงเกิดขึ้นมีสติรู้ว่าตอนนี้ใจเราวันไหววันไหวทางชอบวันไหวทางไม่ชอบหรือไม่นะเราก็มีสติรู้ทันนะ กายที่มันกระทบกับเสียงวิสติดูทันใจที่มันปรุงแต่งหรือไม่เนี่ยเรียกว่าเราสามารถมีมีสติดูได้นะโดยไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลกับกับความคิดความรู้สึกตรงนั้นหรอกนะบางทีเราก็ไม่สามารถรู้หรอกว่ามันมันเหตุผลอะไรบางทีอย่างเช่นสมมุติเราเห็นหน้าใครสักคนบางคนเห็นหน้าปุ๊บก็รู้สึกถูกใจตารู้สึกชอบใจก็มี บางทีเห็นหน้าแล้วรู้สึกเหมือนคิดหน้านะกวนบาทาหลือเกินแบบนี้ก็มีแต่เราก็ไม่เออทางที่เพิ่งเคยเห็นกันเพิ่งรู้จักกันแต่ความรู้สึกบางทีก็ต่างกันเออมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะนะแต่ที่จริงจะว่าไม่มีเหตุไม่มีผลก็คงไม่ใช่มันก็อาจจะมีแต่เพียงแต่เราไม่รู้นะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้ก็ได้นะอืม บางทีถ้าเราไปสงสัยใถ่ควรบางทีก็เป็นการไปหลงทางของกิเลสนะเขามาล่อให้เราคิดนะเขามาล่อให้เราสงสัยเราก็ลงไปกับเขาแล้วแต่จริงถ้าเรามีสติเฉยๆนะเพียงแค่รู้ไม่ต้องเอาเหตุเอาผลแค่รู้ว่าตอนนี้ใจรู้สึกชอบใจรู้สึกไม่ชอบนะใจมีความสุขใจมีความทุกข์รู้แล้วนะถ้ามีสติรู้เนะี่ยมันจะกลับมาเป็นใจที่ปกติ ใจชี่อยู่เหนือความสุขใจที่อยู่เหนือความทุก์เนี่ยพวกนี้เราสามารถมีสติรู้ได้นะไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าใจนะพยายามมีสติรู้เท่าทันอายตนะทั้ง6ทวาร น, นี่แหละนะหกทวารเนี่ยเป็นช่องเป็นช่องเรียกว่าช่องที่เรารับรู้โลกแล้วก็เป็นช่องที่โลกมากระทบกับตัวของเราเองนะ การฝึกที่สำคัญนะก็คือการที่เรามาเริ่มต้นด้วยการทำความรู้สึกตัวนี่แหละนะจะทำให้เรานะสามารถพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนะี่ยไม่ค่อยยไม่ค่อยอยู่กับตัวเองนะเรามักไปอยู่กับการงานบ้างเรามักไปอยู่กับความคิดในอดีตบ้างเรามักไปอยู่กับแผนการในอนาคตบ้าง เรามักจะไปอยู่กับความคาดหวังกับคนอื่นบ้างฝากคนอื่นไม่เป็นที่พึ่งทางกายทางใจของเราบ้างเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยู่กับตัวเองเลยวันวันเนี่ยคิดนั่นคิดนี่นะปรุงนั่นปรุงนี้สารพัดการที่เรามามีกรรมฐานก็คือมาอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับก ร, กรรมฐานอะไรก็ได้นะที่จริงนะกรรมฐานนี้สี่สิบกรรมฐานนะนะ สมถะบ้างวิปัสสนาบ้างแต่ว่าโดยย่อๆดำรงก็เป็นส อ, สองทางหลักๆนะักรรมฐ า, านก็คือสมถะนะกับวิปัสสนาการทําสมาธิหรือว่าสมถะเนี่ยก็คือทําให้เราอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะแต่ให้อยู่กับอารมณ์อย่างเดียวนะอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นนี้ไม่ต้องไปสนใจนะทำให้ให้เราอยู่กับตรงนี้อย่างเดียวก็พอ ให้จิตมันรวมให้มันเป็นสมาธิไม่วอกแวกไปที่ไหนนะไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนะอะไรก็ได้นะบางทีอาศัยคําบริกรรมบางทีอาศัยนะกายของเราเนี่ยแหละเช่นดมหายใจหรืออะไรก็ได้อาศัยนะรู้อยู่อย่างเดียวก็พอพอรู้อยู่อย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตมันก็จะดวมลงมาสู่ความสงบ สู่ความตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนะอันนี้สมถะส่วนใหญ่ก็ทำเช่นนี้นะทำแล้วก็อาจจะมีความสุขทำแล้วก็อาจจะมีความสงบเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทำวิปัสสนาต่อยอดขึ้นไปนะมันก็ไม่เกิดปัญญานะสมถะกรรมฐานเนี่ยทำเหมือนกับคล้าเข้าๆออกๆนะเหมือนกับน้ำแข็งนะนเวลาเอาน้ำ เอาไปแช่ในตู้เย็นทำเป็นน้ำแข็งพอเราเอาน้ำแข็งออกมาจากตู้เย็นถักพักน้ำแข็งนั้นก็จะค่อยๆค่อยๆร้อนขึ้ น, นกลายเป็นน้ำปกติธรรมดาจิตที่เข้าสู่แค่สมาธิในขั้นสมถะก็เช่นเดียวกันน ะ, นะต้องพยายามทำให้จิตมันแน่วแน่อยู่กับอารมณ์เดียวบ่อยๆนานๆกรทั้งจิตมันสงบมันนิ่ง แตพ่พอสักพักมันก็ต้องคายตัวของมันนะคายตัวกลายเป็นจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงเป็นปกติหรือบางครั้งอาจจะโกรธมากกว่าปกติก็ได้เพราะว่าตอนที่ทำตอนนั้นมันมันกดนะมันกดอารมณ์มันข่มอารมณ์นะมันก็เลยพอกลับออกมาก็อาจจะเป็นคนที่ขี้โกรธโกรธคนอื่นก็ได้หรือบางทีจะรู้สึกว่าเห็นอะไรก็ไม่ถูก ไม่ถูกไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเพราะว่ามันวุ่นวายมันไม่สงบนะเหมือนคนที่เคยอยู่ในที่สงบสงบนะพอไปเจอสิ่งภายนอกที่มันวุ่นวายมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกว่าอืมมันไม่ชอบนะแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยมันอยู่ในที่วุ่นวายอยู่แล้วเนะี่ยมันอยู่จนชินอยู่จนชินจนรู้สึกว่าเป็นธรรมดานะเหมือนกับคนที่อย่างคนที่ เป็นเด็กปัม๊มน้ำมันนะฮะเข้าอยู่กับปั๊มน้ำมันจนชินเนี่ยได้กลิ่นน้ำมันก็รู้สึกว่าธรรมดาละแต่ถ้าเราเนี่ยนานๆเข้าไปเติมน้ำมันทีนะพอได้กลิ่นน้ำมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่เป็นธรรมชาตินะมันไม่สบายนะแต่คนพออยู่กับความเคยชินนะนะมันก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นธรรมชาติของเขา นะธรรมะก็เหมือนกันถ้าบางทีถ้าเราทำแล้วเ ร, เราไม่สามารถต่อยอดไปสู่ขั้นของการเดินปัญญาหรือว่าการมีวิปัสสนาญาณก็คือการเห็นเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงนะมันก็มันก็ยังเป็นการเข้าๆออกๆนะแต่การเจริญวิปัสนาคืออะไรล่ะนะที่จริงก็ไม่ค่อยต่างจากธรรมะนะในแง่ของเราก็มีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ แล้วก็มีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เราทํากรรมฐานเพียงเพียงเพื่อเป็นเครื่องอยู่เครื่องระลึกว่าปัจจุบันตอนเนี้ยเช่นเราเดินจงกมลมเราก็เพียงแค่ระลึกว่าตอนนี้ยกายกําลังเดินอยู่นะอะตอนเนี้นั่งอยู่นะก็เป็นเพียงแค่เครื่องระลึกว่ากายกําลังนั่งอยู่นะตอนนี้ยกมือสร้างจังหวะอยู่ก็เป็นเครื่องระลึกว่าเรากําลังนั่งแล้วก็เคลื่อนไหวกายอยู่นะออ หรือบางคนเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกรู้ก็เป็นการระลึกรู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกอยู่นะหรือแม้แต่การบริกรรมเองถ้าเอาเป็นเครื่องอยู่เฉยๆเนี่ยก็สามารถทำวิปัสสนาได้เหมือนกันนะเช่นสมมติเราเระลึกรู้ว่าตอนนี้กาลังหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องอยู่ นะให้เราอยู่กับปัจจุบันนึรรกรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยเรากําลังทําอะไรอยู่นะแต่เราทําไม่ใช่หวังเพ่งเพ่งว่าเราจะต้องอยู่กับมันอย่างเดียวนะมันต่างกันตรงนี้ไม่ได้หวังว่าเราต้องเกาะมันตลอดแต่เราจะดูนึกรู้สึกอย่างอื่นที่มันเกิดขึ้นกับมันด้วยนะเราจะดูเพื่อให้เห็นอะไรเห็นไตรักษของธรรมชาติของกายของใจที่มันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะเรา เดินเราก็เดินไปพิงเพลงเพียงเพละป็นเครื่องอยู่พอเดินสักพักเราก็เห็นว่าออมันก็มีการเคลื่อนมันมีการหยุดมันมีการเจ็บการปวดการเมื่อยมันมีการคลายของมันนะมันมีสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นตลอดเวลาเราไม่ได้บังคับให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่ได้บังคับให้มันไม่ทุกนะแต่เราเห็นว่ามันทุกบ้างเฉยบ้าง หรือบางทีก็สุกบ้างเราเห็นเลยมันเป็นไปของมันเองนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเราดูมันในแง่นะออดูวิพัฒน า, าคือดูดูแล้วก็ดูเขาตามความเป็นจริงนะเรามีเครื่องอยู่ในการดูเขานะแต่เราไม่ไปดัดแปลงไม่ไปแก้ไขเขาเราเพียงแค่อสัยเป็นเครื่องที่จะรู้แล้วก็ดูสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็มันก็ผ่าน ไปนะมันดับไปนะไม่ต้องไปแทกแซงเช่นนะนั่งไปอาจจะง่วงนอนนะเราก็อาจจะแค่แรู้ว่ากายตัวนี้กำลังง่วงแต่หน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราก็คื อ, อ, ท, อ, คอทำความรู้สึกตัวมันคู่ไปเลยนะง่วงก็เรื่องของมันหน้าที่เราคือสร้างความรู้ตัวให้ตื่นขึ้นมาเหมือนอย่างตอนนี้เวลาค่ามืดแล้วนะ เรียกว่าทองฟ้ามันก็มืดมันก็เป็นเรื่องของทองฟ้ามัเป็นธรรมดาของธรรมชาติหน้าที่ของเราก็คือเปิดไฟให้มันสว่างเราจะเผลอไปปิดไฟก็แค่นั้นนะความมืดกับความสว่างมันก็อยู่ด้วยกันนะเหมือนกับความง่วงอาจจะยังมีอยู่แต่เราก็ไม่ต้องไปแก้ความง่วงเราก็แค่ทําความรู้สึกตัวของเรานะความ ความสว่างมันก็จะตื่นขึ้นมานะแต่ใหม่ๆเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือ น, นก็เคยเคยใช้ไฟฉายแบบแบบบีบๆไหมบีบๆนะตอนบีบนะก็มีไฟนะตอนไม่บีบก็ไฟดับไปนะตอนไหนที่เรารู้ตัวนะนอะมันก็สว่างขึ้นมาตอนไหนที่มันลงไปเจออยู่กับความง่วงลงไปอยู่กับความคิดนะมันก็มืดไปนะที่นั่นมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ เราก็ทําได้เป็นเช่นนั้นแต่เราจะเห็นว่าเออที่จริงจิตของเรานเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ทีละอย่างตอนไหนที่มันรู้ตัวนะที่จริงมันก็ดื่มความง่วงไปละตอนไหนที่เราดื่มตัวเองนะดืมว่ากําลังยกมือดื่มว่ากําลังเดินเนี่ยไปเกาะอยู่กับความง่วงเนี่ยโอ้มันทุกข์เหลือเกินนะทำไมมันง่วงขนาดนี้ที่จริงไม่แต่ความคิดก็เหมือนกันนะอนะความคิดมันจะมีก็เป็นเรื่องของมันนะ ไม่ต้องไปแก้มันไม่ต้องไปข่มมันคิดก็คิดของมันไปเรารู้สึกตัวของเรานะคิดก็คิดปล่อยมันคิดเลยนะเราแค่ทาความรู้สึกตัวนะมันก็จะเห็นว่าคิดก็เพื่องของมันเราก็รู้สึกตัวของเราไปนี่คือการทำกรรมฐานแบบที่เรียกว่าเราเอนเน้นในการเจรเดินวิปนะัสสนาเป็นหลักแต่ที่จริงแล้วสมถากวิปัสสนาบางทีก็ไม่ได้แยก ไม่ยไม่ได้แยกขาดจากการหลักนะบางทีจิตมันก็พลิกเป็นเป็นความสงบนะเป็นสมถะนะมันนิ่งก็มีบางทีจิตมันก็เดินเดินปัญญาของมันรวดเลยก็มีนะมันก็ไม่ได้แยกขาดจากกา100ันระ้อยเอร์เซนนะแต่บางทีมันก็สลับกันไปสลับกันมานะแต่ที่จริงถ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะเขาบอกว่ากรรมฐานที่ถูกก็เนี่ย สมถะและมิปัฏฐานเนี่แหละนะมันก็ต้องเดินควบคู่กันไปมันหนุนกันไปนะอย่างกับผมเองอะเหลือตมาเองชอบที่ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปรียบเทียบเหมือนกันนะได้ยินได้ฟังมาท่านเปรียบเทียบว่าอย่างมิปัสนานหรือว่าตัวปัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนกับด้านคมของมีดนะสมถะหรือวัสมาธิเนี่ยเปรียบเสมือนกับ ความหนักหรือว่าความหนาของใบมีดนะมีดถ้ามันมีแต่ความคมอย่างเช่นใบมีดโกนเนี่ยนะมันคมนะแต่มันบางนะมันก็อาจจะสําเร็จประโยชน์เพียงเล็กน้อยเช่นปงผมหรือว่าตัดของที่มันไม่ใหญ่นักนะแต่ถ้าให้ไปตัดต้นไม้นะไปฟันอ่าไปตัดฟืนเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะ แต่ถ้าเป็นมีมดเช่นมีดอิโตนะมีดใหญ่ๆ น, น่ถ้ามันมีแต่ความความหนักความหนานะแต่มีดนี้ไม่เคยรับนะเป็นขี้สนิมนะมันหนักมันตัดต้นไม้มันก็ไม่เข้านะมันก็ต้องรับให้มันคมด้วยเช่นกันงนั้นความคมแล้วก็ความหนักหรือความหนาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับอ่าสติปัญญาแล้วก็สมาธิ หรือว่าความตั้งมั่นของจิตนะมันเป็นตัวที่ช่วยให้เราหนุนนะหนุนทำให้การตัดกิเลสนะตัดกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันตัดไปได้ที่จริงการตัดกิเลสเนี่ยพวกเราก็อย่าไปคิดว่ามันจะต้องนะตัดแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะแตนะ่จริงถ้ามันยังมีรากอยู่มันก็ยังเกิดขึ้นนะแต่การที่เราตัดกิเลสในขั้นต้นก็คือการที่มีสติรู้ทัน รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นนะเช่นความคิดเกิดขึ้นเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วนะมันก็ดับลงไปตรงนั้นแหละนะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นใหม่อีกอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ทันใหม่นะเช่นความง่วงเกิดขึ้นอ่ะเราก็มีสติรู้ทันตอนนั้นที่จริงจิตเราก็ไม่ไม่ ง, วง่วงนะจิตมันก็ออกจากความง่วงแล้วแต่บางครั้งมันก็สลับไปสู่ความง่วงใหม่อันนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะ นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจะว่าจริงๆไม่ต้องไปยุ่งกับกิเลสเลยนะนะกิเลสปล่อยให้มันทํางานของมันไปนะหน้าที่เราสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวนะเหมือนกับที่หลวงพ่อเทียนท่านมักพูดบอกว่าหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมก็คือการที่เรามาเลี้ยงแมวให้มันโตก็คือการมาเลี้ยงสติเลี้ยงความรู้สึกตัวให้มันโตหนูมันจะเพ่นพ่านกิเลสมันจะมากขนาดไหน เราไม่ต้องไปวิ่งบุ้นจัดการกับมันปล่อยให้มันทํางานไปเราก็สร้างความรู้ึกตัวไปนะเมื่อเรารู้สึกตัวนะนะมันก็ละกิเลสของมันเองมันก็จับกิเลสมันก็ตัดกิเลสของมันเองนะเพราะถ้าเราดูจริงๆแล้วที่จริงจิตของเราเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ได้ทีได้อย่างเท่านั้นแหละนะจิตถ้าตอนนี้มันมีความรู้ความหลงก็เกิดขึ้นไม่ได้นะ ถ้าจิตตอนนี้มีความหลงอยู่ความรู้เกิดขึ้นไม่ได้นะเปลี่ยนเสมือนกับที่นั่งของเรานะมันนั่งได้ทีละคนนะมันไม่สามารถนั่งซ้อนกันได้นะในจิตนันนะอืมมันถ้าเรานั่งอยู่แล้วคนอื่นก็มานั่งซ้อนมานั่งทับไม่ได้นะจิตมันรับรู้อารมณ์ก็ทีละอย่างเท่านั้นนะเราทำตรงนี้นะ่ะอ๋อมันเกิดกําลังใจขึ้นมาเลยว่าอ๋อที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันไม่ต้องไปรอผลว่าเราจะต้องเป็นพระอริยะบุคคลพระอริยสงฆ์หรือไม่จะต้องเราเป็นพระอรหันต์หรือไม่แต่จริงตอนไหนที่เรามีสติตอนนั้นเราก็เดินถูกทางแล้วนะตอนนั้นเราก็พ้นจากความทุกข์แล้วตอนนั้นเราก็เป็นการสะสมปัญญานะเดินในถูกทางของมรรคแล้วถือว่าถูกแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องให้ใครรับรองก็ได้นะ เราสามารถทับรองตัวเราเองได้เลยว่าอ๋อนี่แหล ะ, ะเราเดินถูกแล้วตอนที่มีสติตอนที่รู้สึกตัวเนะี่ยเรียกว่าเราเดินถูกทางแล้วแล้วก็เพียงแค่หมัน่นหมั่นทําความเพียรตอนนี้บ่อยๆนะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องทําความเพียรในการคอยได้ ร, รู้รู้ปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะไม่ใช่ไปรูร้อดีตหรืออนาคตนะ รู้ตรงที่ปัจจุบันว่าตอนนี้กายกำลังทำอะไรอยู่ใจรู้สึกอย่างไรอยู่หรือว่าใจมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่รู้อะไรก็ได้นะที่จริงดูอะไรก็ได้มันก็เป็นปัจจุบันนะัรรมเหมือนกันนะก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละท่านจะถนัดนะเห็นว่าทำเพ่อนอะไรแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกแล้วทำแล้วเกิด ความชอบอันนี้คือเรียกว่าความถนัดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน น, นี่เป็นจดิตนิสัยที่าอาจจะแตกต่างกันซึ่งเราอาจจะต้องดูดูตัวเองว่าเออทําแบบไหนแล้วรู้สึกมันมันมันชอบอะแต่ชอบในที่ไม่ใช่ชอบแบบยากนะชอบแบบมีฉันทะอนะทําแล้วเกิดความพอใจในการที่อยากจะเรียนรู้แต่บางทีเราทําบางอย่างที่มันไม่ถูกจดิตเราเราจะรู้สึกอึดอัดเนะ ไม่เห็นสนุกเลยนะเมื่อไม่สนุกมันกไ็ไม่เกิดความพยายามขึ้นมาแต่เพราะถ้าเราทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันชอบเนี่ยมันจะรู้สึกสนุกสนุกแล้วก็ทําได้เรื่อยทําได้แบบไม่เบื่อนะแต่ก็อีกอย่างก็ต้องวางใจให้มันให้มันแบบคลายให้มันสบายเลยนะอย่าไปจริงจังเครงเครียดเกินไปนะจริงจังเครงเครียด ก, ก็อาจจะทําให้เราเกิดความทุกข์นะ ทั้งทางกายหรือทางใจนะเราทาแบบสบายๆรู้แบบเล่นๆ น, นะแต่ให้รู้บ่อยๆระลึกได้เมืออ่อไหร่ก็นะกลับมาดูกายดูใจว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ระดึกบ่อยๆระดึกบ่อยๆทําโดยไม่ต้องคาดหวังผลนะว่าเราจะได้นั่นได้นี่ดูนั่นดูนี่เป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่นะทำเพียงเพื่อเป็นเครื่องอยู่นะของของชีวิตของเรา เนี่ยเราทําเช่นนี้นะมันจะได้คําตอบด้วยตัวของเราเองคนที่จะให้คําตอบแล้วเราเกิดความมั่นใจสุดกับผมหรืออาตมาคิดว่าตัวเราเองนี่แหละนะจะเป็นคนที่ให้คําตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรครูบาอาจารย์นะ ก็ท่านก็เป็นกาณมิตรที่จะช่วยประคองหรือว่าแนะนำเราแต่ถ้าเราไม่ทำนะด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันจะไม่ลึกซึ้งถึงใจจริงๆนะนะผมคิดว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคารวาดก็ดีหรือเป็นพระก็ดีนะการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นเครื่องอยู่ที่สำคัญนะอย่าปล่อยให้เวลาของเราผ่านล่วงไปนะเสียเปล่านะ ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เราพยายามกลับมามีสติรู้จักตัวเองนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงนะถ้าเราทำเช่นนี้ได้ชีวิตในวันนี้ก็จะมีความสุขชีวิตในอนาคตก็จะมีความสุขหรือว่าพ้นจากความทุกข์ได้นะก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจในการภาวนาในพรรษานี้แล้วก็จนกทั่ง ตาบเท่าชีวิตพวกเราเนาะจะหาไมนะ่สาธุด้วยนะ